วันนี้คุณโยมบอกให้จาย์พูดถึงเรื่องการตั้งสติให้มากเพรางงั้นอนว่าจะพูดทางรัดให้ฟังนะพวกเราการตั้งสติการฝึกสติมีอยู่สองอย่างนะห้ามนั่งรับสมาธินะห้ามเล่นโทรศัพท์ ถ่ายก็ถ่ายได้ห้ามเป็นโทรศัพท์ถ้าเล่นโทรศัพท์เหมือนกับว่าเราพูดไม่ไ ม, มีใครฟังไม่สนใจกันกานั่งสมาธิก็ไม่ได้ฟั ง, งใช่ไม่ใช่หลับนะเขาเขารู้สึกว่าจะเข้าใจนะอาจารย์พูดนั่นนะใช่หรอค่ะใช่หรอ ค, ครับเออไม่เอาไม่ฟั ง, ฟ, งฟังก็ตั้งฟังฮนะ ลุงปูม่านท่านสอนเรื่องอะไรทีนี้ต้องฟังให้ดีนะลุงปูม่นท่านสอนลูกศิษย์มีสองอย่างเองนะหลักๆ ก, ก็คืออะไรเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลุงปูม่นเรามริ่เรื่องอะไรได้ไงเนี่ยฮะลุงปูม่นท่านสอนนี้กําหนดพุดโทโธเออที่ก็แล้วก็ฝึกสติไม่ต้องไปมันมีสองอย่างนะเอาฝึกสติตัวนี้ก่อนทางลัดเนี่ยแล้วก็ให้พิจารณากายแต่พิจารณากายเนี่ยมาจากการถ้าทาพุโทโธก่อนนะ เออาตมาก็จะพูดแต่เรื่องของสึกส่วนที่ตัวเองปฏิบัติมาอย่างไรบวชเข้ามาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออบวชเข้ามาบวชวัดบ้านวัดวัดบ้า น, านเนี่ยนะวั ด, ต, ดติดกับวัดหมู่บ้านแต่วัดสมัยก่อนเนี่ยนะเออตมานี่แก่แล้วนะโยมนะ <S <S <S สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าหรอกเหมือนกับวัดป่านั่นแหละวัดก็ต้องอยู่ท้ายท้ายท้ายบ้านนะ พอดีพอบวชแล้วก็โชคดีมีครูบาอาจารย์มาชวนไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำอาจารย์ก็เดินทางไปเกติโลนะไปกลับในสิบสี่กิโลฉันเสร็จก็เดินทุกวันทุกวันเดินไปนั่งสมาธิแต่ว่านั่งแค่สองวันเองนะนั่งสองวันนี้ติ้งเลยเออตอนแรกกะคิดว่าจะบวชแค่สามเดือนน่ะนะครบบวชบวชเลยนะเพราะว่ากลัวก็หลอขนาดนี้ย กลัวไม่ได้บวชครบบวชแล้วเขาบวชเลยแม่ผมครบบวชแล้วผมเขาบวชนะเขาบวชเองเลยแม่มีลูกถึงสิบคนอะใครจะไปรู้ว่าใครอายุเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะพอบวชแล้วก็นี่แหละโชคดีนะนั่งสมาธิสองวันนองนะพวกเรานะโดยกาหนดอาณาปณสตินะเนี่ยระลึกลงมาใจเข้าใจออกเนะี่ยปิง้งเลยก็เฮ้ยทำไมมันอัศจรรย์ขนาดนี้อย่างนี้นะหลังจากนั้นก็พอออกพนซ้าเสร็จก็หนีเข้าป่าหนีวัดหนีเข้าวัดป่าวัดถ้ำนะ เขามาทำบริาการทํากรดทําบาดอะไรก็ออกทุ้ดงเลยเนยที่จะบอกบอกว่าทางรัดจริงๆคือการทําสมาธิเนี่ยนะสมาธิมันอย่างไรพวกเราเนีพวกเราตั้งใจฟังกับคนที่เล่นโทรศัพท์เนี่ยใครรู้เรื่องอ่านักเรียนที่มีสมาธิกับนักเรียนมีสมาธิใครเก่งใครเรียนซื้อเก่งเห็นไหมฟังเฉยๆทำไมรู้เรื่องอ่ะเออ ฟังเฉยๆทำไมรู้เรื่องจะพูดเร็วพูดชา้าพวกเรารู้เลยถ้าตั้งใจฟังไง น, นะเห็นไหมเรียกอะไรว่าสตินะสติโดยการที่ว่าเราตั้งใจฟังก็เป็นเป็นเป็นสมาธิแล้วนะอันนี้ทีนี้เอาไม่ได้ไม่ได้พูดพร่ำจำเป็งเวลาน้อยเ <c oughs> พราะเราฝึกสมาธิเนี่ยนะถ้ามีสติอยกกู่กับจิตทีนี้ย น, นะถ้ามีอสติกับจิต จะทําอะไรใครเป็นคนควบคุมเรื่อนี้ฮะเนี่ยใครจะทําป็นผู้ควบคุมจิตเป็นผู้ควบคุมใช่ไหมเออทุกวันนี้นี่ไม่ขอโทษขอโทษนะขอโทษเนีสติมันอยู่ที่ไหนเราไม่อยู่กับตัวเลยนะใจเอ๋ยไม่อยู่กําเนื้อกับตัวนั่นแหละเคยไหมเคยรู้ไหมไมีอยู่กับเนื้อกับตัวพอหลังจากฉันกินข้าวเสร็จก็เอาระขึ้นมาและ้ะ ไอเนี่ยถ้าคุณอยู่ต่างประเทศคุณก็อยู่ต่างประเทศนล่นรู้ไหมแต่เรื่องที่มันเกิดจากต่างประเทศจิตเราอยู่ต่างประเทศนุน<ม>่นน่ะเกิดที่อังกฤษพวกเราก็อยู่อังกฤษเลยนะพวกเรารู้ไหมเออทุกวันนี้คนถึงความรู้สึกมันถึงอ่อนไหวง่ายไงมีอะไรไนิดเดียแล้วก็ไปแล้วเออไม่มีพลังของตัวเองเลยเพราะไม่มีสติอยู่กับตัวนะถ้ามีสติกับตัวมันก็จะมันจะไม่น่นเลยนะพวกเราเนี่ยเห็นไหมขณะมองไปแล้วพวกเรามองเลยเนไหมนี อาจารย์มองที่ไหนอ่ะแต่อาจารย์รู้อาจะไม่ได้มองแล้วพราเรามองไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันชอบป อ, อกแล้มันส่งนอกยังไงเอาง่ามันมันส่งนอกเนี่ยทีนี้มันรู้ไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่าทันตัวเองเลยเพราะอะไรเพราะไปข้างนอกหมดเลยเนยีถ้ามีสตินะสติเขึ้นมาทั้งวัดอา้าวเราอย่างนี้ฟังให้ดีนะนักเรียนยังไม่เข้าโรงเรียนเนี่ย ตอนยังไม่ไม่ให้สัญญาณเข้าแถวเนี่ยนะครูเห็นนักเรียนหมดไห ม, ไมเห็นสักสามยี่สิเปอร์เซนไม่สิบเปอร์เซ็นไเอ้านักเรียนแย่แย่นะนะไม่เห็นใช่ไห ม, ไมแต่พอนะที <c oughs> นี้อยากแกเห็นนักเรียนหมดทำยังไง เสียงรักขังครั้งสองดังกอง้องกึกนักเรียนวิ่งกังคักคึกมาเกาแถวแต่ระชันพร้อมหน้ารักษาแนวเป็นระเบียบวินเนียแนวหน้านิยมร้องเพลงชาติครบตรงตรงเวลาก่อนเรับวิทยาเป็นปฐมแล้วก็ห้องครูประเดิมเริ่มบวกลมวิชาการเพื่อสะสมสื่นความดีเสียงครูใหญ่บ่นว่าผู้มาไซแก่มาให้เป็นยังไงจะนี้ตั้งสงครั้งสามครั้งทั้ ง, งนี้อาจารย์จะมาสอนนังถือแล้วจะมาสอนธรรมะ ก, กันแน่นอนนะเข้าใจไหมตอนที่ครูยังไม่ค้อระกังให้สัญญาณนีนักเรียนก็กระจัดกระจายใช่ไหม ควบคุมไม่ได้แล้วแต่พอให้สัญญาณระคังเข้าแถวทีเนี้ยใช่ไหมชั้นไหนเป็นช้ยไหนไมีเป็นแถวใครมันใช่ไหมเด็กใครที่จะคุยกันใครที่จะแตกแถวครัวเขไปจัดการใช่ไหมนั่นแหละสมาธิเป็นอย่างนั้นแหละเออจะเห็นได้ชัดเลยใครคุยกันอย่างเนี้ยแต่มาเป็นประธานโรงเรียนตั้งแต่เป็นเด็กปฐมอะนะอันนี้ความรู้ปฐมนั่นเองนะต้อเรียนทั้งหมดแถวตรงตรงความรรบริษัทอย่างเงี้ยนั่นแหละเงียบกลีบแล้ว เห็นหมดใช่ไหมคําว่ามีสมาธิก็ตอนที่คอระคังเข้าแถวจิตไม่มีสมาธิก็คือตอนปล่อยเด็กมเมล็กยังไม่เข้าแถวถูกไหมจะเห็นหมดได้ไงไม่เห็นไม่เห็นคือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าจิตไปไหนคือไปรับอารมณ์มาแล้วค่อยมารู้ค่อยมาโอดโอ้ยที่หลังเข้าใจไหมเนี่ยไปแล้วนี่เนยนะถ้าสมมตินะมีคนโยนเชือกเข้ามากลางวงเนี่ยนะอะไร โยนเชื่อกก็ไปกลางวงนี่เป็นอะไรไเป็นอะไรเชื่ว่าเป็นอะไรงู่าง้ยใช่ไหมง่อย่างเนี้ยเพราะทาไมอะก็เพราะว่ามันไม่มีไม่มีสมาธิที่ตัวไงถ้ามีสมาธิที่ตัวอย่างงรอะน่ยมันออกไปข้างนอกไปแล้วเสียงดังตุ่มท่ามไปหมดเลยนะพวกเรานะอ่ะไม่มีพลังด้วยนะแต่ทางรัดจริงๆก็คือทําสมาธินี่เป็นทางรัดที่สุดเลยเอา้าวทำสมาธิง่ายไหมเท่นี้ย เ้าในๆก็พูดแล้วนะทาง่ายได้มากทายากได้น้อยรู้ไมว่าทำไง่ายได้ยากทำมากได้น้อยทำยากไม่ช่อนมาทำมุนกันนะกว่าจะได้ชั้นนะเอพรานก็เลื่อนอาหารนั้นนั่นแหละเลื่อนอาจารย์หือิ่มแล้วกว่าจะได้กินนะโยมก็กว่าจะได้ด้วยนะ ผมต้องไปหาเงินก่อนนะไปหาเงินหาเงินแล้วอ่าไปซื้อซื้อของถ้าไปซื้ออาหารก็ไปซื้ออาหารมาแล้วต้องเดินทางมาไหมอ่าเดินทางมาแล้วต้องหาผู้รับเออเนี่ยอย่างอย่างท่านประธานในนิ ม, มนต์ครูอาจารย์มาตั้งไกลนะเออพิจบุญก็มีอ น, นี้น้องชายเนี่ยนะเมารับเออเดินทางนะสี่ขั้นตอนาหาเงินนะซื้อกับข้าวเดินทางแล้วก็หาผู้รับสอย่างแล้วนะมนะีทายากนะ แล้วยากอีกนะยากตอนที่ถวายแล้วกว่าจะได้กินอีกเออตอนนี้ทำยากแต่ทำง่ายทีเนี้ยก็คือการกำหนดลมให้ใจมนง่ายไหมต้องได้ไปหาไหมหาเงินไหมพวกเราเดินทางไหมไม่ได้เดินทางเลยอันมาว่ามันมันง่ายที่สุดเลยนะพวกเรานะแล้วมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ อาตมาชอบพูดอยู่เรื่อยมาบอกให้ทําธรรมารี่พุนะยังไม่มีเวลาภาวนาะโยมทำธุรกิจอยู่ทางโลกจริงนะไม่มีเวลานะีไม่มีหลักก า, ารโ ย, ยมจะมีได้งไงโยมทำธุระเราเลิกคุยกับอาจารย์เอาโทรศัพท์มาเร่นแล้วนะอาจารย์เลยถามว่าคนดูโทรศัพท์นี่แสดงว่าพวกเราว่างไหม ว, ว่างไหมพวกเร า, าอ๋าอกินข้าวหยุดกินกันบ้างไหมหล่ะ ยังดูยังเล่นอีกออออันนี้แหละขอโทษนี่ขอโทษขอโทษนะขอโทษขอทนะจริงๆแล้วเวลาเราเยอะมากเออเวลาเราเยอะมากแต่ว่าไม่ให้ความสาคัญเลยนะเออความสุขแบบเขาเรียกว่าไปไปฝากความสุขไว้กับภายนอกสิ่งภายนอกสิ่งที่มีความสุขที่ยาวนานที่สุดแล้วก็มั่นคงที่สุดก็คือลมหายใจนะพวกเรารู้ไหม เราคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราไม่ได้มืกินข้าวกินนมเลยหรอกอะไรอันแรกที่เราอยู่ได้เพราะอะไร<ช>อะขอบใจนะ<ช>ลมหายใจนะแล้วก็ตั้งแต่เกิดเกิดวันแรกนั่นแหละจนถึงตอนไหนก่อนที่บบบเรามารู้เห็นคุณค่าของลมหายใจอ่ะไม่รู้ตอนไหนลมหายใจมีคุณค่าตอนไหน ตอนเครื่องช่วยหายใจนั่นแหละหมอก็เอาเครื่องช่วยหายใจมาฟาดฟาดนั้นนะแต่เราไม่ให้ความสําคัญใส่ใจเลยนะสิ่งที่หามาตลอดชีวิตมาเวลาเจ็บขั้ได้ป่วยนะป่วยเนะี่ยเราอยากจะกินอาหารอร่อยอ่อยอยากจะได้ทรับย์สมบัติเยอะไหมป่วยอยากอยากอะไรตอนป่วยอ่ะอยากหาอย่างเดียวืแสดงว่าที่เราดิ้นรนควนขวายกันนะมันไม่ใช่ของจริงด้ว่าอย่างนี้เลยใช่ไหม ใช่อยากจะหายอย่างเดียวเลยนะพวกเรานะล้มให้ใจนี่มีความสุขที่สุดเลยแล้วอย่างที่มาว่าเนี่ยอมาอยู่ได้ท้องกำหนดล้มไว้ใจแค่สองวันเองนะมันรู้สึกเฮ้ยทำไมมันอันเซชันขนาดนี้นะมันมีมันเบาสบายนะเบาแบบเอาอยัาง่ายนะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่เป็นพวกกรมกรแบกหามแบกปูนแบกทรายไหมพวกไหนที่ฆ่าตัวตาย ยมยมรู้เหรอยมไม่ได้ตายยมรู้เหรอ <c oughs> คนที่เขาคิดมากๆ <c oughs> คิดมากมันมีทางออกไงเออนั่นแหละเขาก่าตัวตายนั่นเนอะเออเรามาอยากจะบอกว่าเนี่ยมันหนักสิ่งของเนี่ยนะทำไมเขาทาไมเขาแบกหนักๆมันนะ <c oughs> วางได้เพราะมันหนักที่สุดแล้วเขาต้องวางใช่ไหมเออแต่สีนี้้าเป็นอารมณ์อ่ะมันไม่มีวัดมันไม่เป็นวัตถุ ทช่ไมสะสมมาสะสมสะสมมันหนักมันมืดมืดมิดหมดช่องมันหนักว่างกันเถอะไม่รู้ทางออกเพราะมันวางไม่ได้มันไม่เป็นวัตถุเออทีนี้ทําไมจะมามาบอกว่ามันเบามันเบาเนี่ยเราไม่ใจมันหนักหรือมันเบาอ่ะเบาเอาจิตไปอยู่กับลูกหนักเท่าไหร่เอาจิตไปอยู่กับลูกก็หนักเท่าลูกกันแหละเอาบิดกับอยู่กับสามีก็หนักเท่าสามีนั่นแหละเออ เป็นนายกคนตรีคนหนักเท่าประเทศชาตินั่นแหละถ้าคนใส่ใจนะคือมันมีคนนึงอายุเท่าอัตมานี่แหละเป็นนายกมนตรีโอ้เขาหลอด้วยนะหล่อมากด้วยพอเป็นร่มนายกมนตรีใช่ไหมสองเดือนที่นั้นหลวแก่สมเลยนอโสมเรนะ็วงั้นเห็นแ ก, ออก่เห็นแก่ออกในในลงเนี่ยมันลงลงเป็นหัวหน้าพรรคอีกแล้วนี่นะโอ้เพื่อนกันแน่นะทําไมแกขนาดนี้นะเออเห็นไหมพวกเรา มันคิดเยอคิดมากแล้วใครคิดให้ใครจะให้คนเป็นโรคภาสาพวกไหนคิดมากแล้วใครคิดให้คิดเองอพวกเราตอบประจานเองนะไม่ได้บังคับนะคิดเองเราต้องคานความสุขหรือความทุกข์ความสุขกับพวก ก, กันในมากกว่ากัน ว่ากว่าเขามีประสบการณ์เยอะอายุมากใช่ไหมพวกมากกว่าแล้วใครนําทุกมาให้เขตเราเอ้าวมันขัดกันไหมเราก็อยากสุขมีความสุขนี่เออตอนเป็นเด็กกับตอนเดียวเนี้ตอนเป็นเด็กเด็กได้เรียนหนังสือหรือยังกับเดียวนี้น่ะเด็กเด็กเด็กเล็กเด็กโตเนี่ยน่ะนะกับเดียวนี้เนี่ยใครมีความรู้มากกว่ากัน เดี๋ยวนี้นะ่ะเด็กตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาจนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กับตอนเด็กอ่ะตอนไหนมีความรู้มากกว่ากันตอนนี้แล้วตอนนี้กับตอนเป็นเด็กอะไรทุกมากกว่ากันแล้วทุกจากไหนทีเนี้ยทํำไมเด็กเขาไม่ทุกข์เขาไม่ค่อยคิดไงเขากโกรธเขาผูกโกรธไห ม, ไมเขาโลภเขาหลงไหมอือไม่หลงได้ไงหลงอยู่ แต่มันหลงชั่วคราวเข้าใจไหมพวกเราในผูกโปรดพวกเราในอาฆาตโลภหลงมีแต่ความรู้มากก็ตอนเเด็กที่จริงความรู้ม ma. ันน่าจะบรรเทาทุกได้ใช่ไหมเออเอาตัดป <at> ัญหาเลยว่าต่างๆที่มาว่าเนี่ยนะคือถ้าเราทําบ้างเถอะว่าทําสมาธิบ้างเถอะเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันของคู่กันเนี่ยพวกเรารู้ไหมมันคู่กันหมดเลยเนี่ยทําไมไม่น่นเนี่ยเอาทําไมต้องมีนี่ด้วย ทำไมต้องมีหลอดด้วยนี่มันคู่กันนะนี่นะมันคู่กันหมดเลยในตัวเราคู่กันหมดเลยทําแขนเดีคนแขนเดียวทําถนัดไหมขาเดียวแขนเดียวขาเดียวหูเดียวถนัดไหมพวกเราจะไม่สวยเลยใช่ไหมเคตรทำธรรมชาติมันคู่กันหมดแล้วนะพระเจ้ากันให้เรารู้เรื่องธรรมชาติที่มันคู่กันอยู่แล้วนะให้มันเป็นคู่กันว่างั้นเถอะแขนถนัดสองขาถนัดตาหกเฮ้ยปากโคกับอะไร ปากไม่มีคู่ปากมีคู่ไห ม, มอะไรเปลา่า <c oughs> ปากฟันก็มีฟันล่างฟันบนคู่กันนะ่ะสิบสองซี่เลยนะ <c oughs> ปากคู่กับทวันหนักไง <c oughs> มันเข้าไปถ้าไม่ออกเป็นไง <c oughs> สามวันเท่านั้นเลยม็นท้องบวมเลยใช่ไหม <c oughs> มันสมดุลได้หมดเลยนะพวกเรานะเนี่ยเป็นคู่คู่คู่คู่กันคือเขาทาหมดแล้วคู่กันหมดแล้วมันจะสมดุล ม, มากเลย เดี๋ยวนี้อาจารย์ถามคนไม่ค่อยรู้นะว่าหาบเคยรู้จักหาบไหมหาบของคู่มันคู่กันใช่ไหมข้างหลังกับข้างหน้าเท่ากันใช่ไหมน้ําหนักใช่ไหมรู้จักคอนไห ม, ไมคุยกับคนกรุงเทพเนาะคุยกับคนกรุงเทพเลยไม่รู้เราเป็นชาวบ้านจนะชาวไร่ชาวนาคอนนี่หมายถึงว่ามันมีอยู่ข้างเดียว ข้างหลังนี่นะแลนนี้อยู่ข้างหลังแล้วตรงข้างหน้าต้องครอนี้ยมันลําบากมันไม่คู่กันมันเดือนลําบากก็เยอะเว้ยนั่นแหละถ้ามันไม่คู่กันมันจะลําบากเหมือนกันกับจิตที่มันไม่คู่มันคิดได้มากแต่มันไม่หยุดคิดนี่ไงก็เยอะว้ยพเราอ้าวคุณอยากจะคิดก็คิดฉันไม่ว่าเราคุณอยากจะคิดก็คิดแต่ว่ามันถึงเวลาหยุดก็คนรหยุดบ้างหน่อยเวลาเที่ยงนี่เพราะเราเลิกพักเที่ยงเนอะพราเราเลิกเราะเกินข้าวใช่ไหมหยุดทํางานใช่ไหมตอนเที่ยงอ่ะ เราจิตดุดได้ไหมมีเลิกงานไหมไม่ใช่เราเลิกเราเลิกงานไหมจิตเลิกคิดไหมพวกเรามีเกษียณจิตเกษียณด้วยไหมพวกเราตอบอาจารย์หนึ่งนะนี่คนที่จะพิชิตนาดูเออมันก็คนที่หยุดได้นะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทําอะไรมากกว่ากันเห็นไหมก็นึกว่ารู้แล้วทําไมไม่หยุดคิดอ่ะจริงๆล้วไม่ ได้สิครับทำไม่จะไม่ได้ยิ่งไม่คิดแต่ยิ่งรู้มากเออว่าได้พูดกับโยมคนไหนเมื่อเที่ยวก่อนใช่ไหมว่าผูดรู้ให้ฟังนะฟังยังดีนะคือไม่คิดจะรู้ได้ไงอาจารย์เนี่ยนะยิ่งไม่คิดยิ่งรู้เยอะก็พรเราตอบอาจารย์แต่แรกแล้วว่าเด็กมีสมาธิกับเด็กไม่มีสมาธิอันไหนเรียนเก่งกว่กันนะ่นนะใช่ไหมเรามีสมาธิทํางานดีไหมเพลินไหมแต่ถ้าไม่มีสมาธิเหรอ การทรมานการรอคอยถึงเวลาเพียงหน่อยการคอยก็ทรมานใช่ไหมหุดหงิดลำคัญอ๋มอมื่อไรจะหมดเวลายิ่งเรานั่งสมาธินี่นะเออหลือห้านาทีโอ ย, โอ ย, โอยนั่นแหละ <c oughs> พุกมากเลยนะเช่ไหมอ้าวจะมาจะพูดเรื่องอัศจรรย์เขาพูดเราให้ฟังฟังนี้น ะ, ะจิตอัศจรรย์คือจิตปุถุชนนะจิตอริชนคือจิตธรรมดา เออพวกเรานี่ย่นระยะทางได้นะแล้วก็ย่นระยะเวลาได้ด้วยพวกเรานี่ยนะคนทั่วไปเนี่ยนะได้นะเวลาเราเรียเนี่ยมนช้าไหมเออทุกชั่วโมงหนึ่งสุกชั่วโมงนึงอันไหนนานกว่ากันออ <c oughs> ต้องเราตอบจารย์หนึ่งนะทุกชั่วโมงหนึ่งสุกชั่วโมงหนึ่งอันไหนานานกว่ากัน ทุกนั้นกว่าระยะทางเวลาเรารีบเนยนะห้ากิโลกับเราไม่รีบนะ่ะอันไหนไกลกว่ากัน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมนี่แหละมนุษย์สุดยอดก็ต้องบอกแล้วไง <c oughs> เออเป็นมนุษย์ส่นนิยมเพียงลำปากไหมเออมันสุดยอ ด, ดจริงจนระิหละทําไมมันทําไมมันช้าเนี่ยเมื่อวานก็เกือบเลยนะเมื่อวานนะี่เนอะเมื่อวานถือว่ามีบุญทําไม่มีบุญน่ะบุญทวีไง เรื่องโกตัวโกตนะน้องเขาไปจองวันวันเนี้ยการเดินทางวันเนี้ยเพราะว่ายังไม่รู้จองคือที่กินอาจารย์ต้องประเทศที่โรงพยาบาลาพรุ่งนี้แต่น้องที่ก็จองเขาจองวันเนี้ยมาวันนี้ต้องเทศเดินพรุ่งนี้ใช่ไหมอ้าวลืมทีนี้ยน้องก็ลืมพอไปใจเช็กกินอ้าววันที่ย 23, 23ี่สิบสามเท่านเหน น, น้องก็ต้องโอวุ่นวายให้ทีนี้บังเอิญท่า มีอีกไหมอีกไฟอีกไหม็มีหกโมงครึ่งว่างั้นทำไงทีเนี้ยไปดูทุกสายการบินเลยนะไม่มีเลยเขาก็าใส่ใจให้ดีดีเจ้าหน้าที่เน่ยนะเขาก็บอกมันมีอยู่นะว่างั้นมีคนอ่ายกเลิกว่างั้นคนหนึ่งดูดิพวกเราโชคดีไหมก็ม <c oughs> ันมีบุญไงนี่ <c oughs> ไม่งั้นอาจารย์ก็ทั้งโน้นแหละสองทุ่มสามทุ่ม เ, นะเออแล้วบางครั้งเนาะบางครั้ง เครื่องบินสายการบินใหญ่นี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ดีเลย น, นะเครื่องทิ้นส่วนร่วงว่าเงนิน <c oughs> <c oughs> อตมวกติอาจารย์ต้องเดินไฟบ่ายสิบห้าอย่างเงี้ยบ่ายโมงสิบห้านาทีวันนั้นเขาบอกเขาพอเขาบอกว่าสามทุ่มนะถึงจะได้ไปก็ว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าบาังเอิญเขาก็เห็นพระเขาก็เลยไปไปเปลี่ยนสายการบินให้ได้มาหกโมงเย็นอาจารย์ไปถึงเที่ยงหกชัวโมงอาจารย์อยู่ตรงนั้นนะ พอเล่าอยู่วมฟังอาจารย์อยู่ได้ยังไงอ่ะอาจารย์ไปรอเนี่ยังไงไปอยู่ยังไงอาจารย์บอกว่าอยู่นสนามบินมันมีแอร์ห้าหกชั่วโมงกับวัดกับหกชั่วโมงกับส น, สนามบินมันเหมือนกันไหมเหมือนกันต่างกันตรงที่มันมีแอร์แต่เวลามันเท่ากัน ก็คิดอย่างนี Los ้นะพวกเราจะไปยากอะไรพวกเราจะไม่ตอบอาจารย์ว <theology> yeah, ่ามันช <s vague même> ้ามันเร็วได้ไงก็นั่งงี้เฉยไหนที่คุณจะทําอะไรอยู่วัดอาจารย์ต้องทำมุ่นแบบนี้ตลอดอนะนะไม่มีแอดไว้อันนี้นั่งสบายจะไปทุกอะไรเอะเรารีบเราอยากจะไปมันได้ไปไหมเนี่ยนะทุกฟรีทุกฟรีนะพวกเรานะนี่แหละแค่นี้ง่ายง่ายเองนะทีนี้พูดถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่จะมันจะเห็นน่ยเพราะว่าเห็นตัวเองเรื่องตัวเองมุดเนยนะพวกเรานะถ้ามีสมาธิมันก็จะเห็นไง อย่างที่ว่าเนี่ยอ๋อเวลาเราเรียบมันรู้สึกมันมันช้าเหลือเกินอย่างเงี้ยเลยนะรู้สึกมันช้าอ๋อมันอยู่ที่ตัวเราองเงี้ยทุกอย่างเกิดตัวเราเองหมดเลยนะพวกเรานะ่ทุกวันเนี้ยมันก็แปลกวันกลางวันก็นคือนี่เหมือนกับไม่มีความหมายเลยความเร็วความช้าเหมันเมือนกับไม่มีความหมายเลยนะทําไมเพราะว่าเราฝึกอย่างเงี้ไงเราไม่คิดแค่นั้นเหลยเออเราคิดแล้วมันไ ด, ดไ้อย่างที่เราคิดมาอย่างที่เราต่ออาจารย์เนี่ยนะเออ ความคิดกับการกะระทํามมันในมาว ก, กันเพราะก็ตอบว่าคิดมากกว่าเอาฟังให้นีดนะเอาไปท่องไว้เลยนะสิ่งที่คิดมักไม่ได้สิ่งที่ได้ไม่ได้คิดแต่ไว้เลยนะสิ่งที่คิดมักไม่ได้สิ่งที่ได้ไม่ได้คิดมันฟรีไหมทีนี้มันทุกฟรีไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราฝึกนะอาจารย์เอาผลมามาพวกนี้ฟังเฉยๆทางรัดแล้วพวกเราเนี่ยนะแต่สิ่งที่จะเกิดอย่างนี้เกิดจากทําสมาธินะ พอมันพีสมาที่มือจะก็เห็นไงไอตัวคิดทั้งหลายเนี่เป็นตัวแสดงให้งหมดเลยถ้าฉันไม่คิดโกรธฉันจะโกรธไหม <Okay. S 1> อภัยโทษกอโทษนะพวกเราเป็นคนใหม่เยอะก <c oughs> ารถามหน่อยด้วยว่าพวกเราวันนึงคืนหนึ่ ง, งพวกเรามีความสุขที่นานที่สุดอะ่ะคือช่วงไหนฮะนอนไม่ยังไม่มีความสุขนะต้องหลับด้วยนะช่วงที่มีความสุขมากที่สุด ก, ก็คือการนอนหลับ ทนี่ทําไมมันมีความสุขก็เราพเราไม่มีความสุขกันเลยเลยเนี่ยทําไมมันมีความสุขอ๋จริงๆเลยไม่ค่อยรู้ตัวเองเลยเนี่ยเพราะมันไม่ได้คิดเวลาพวกเราง่วงนอนเนี่ยพวกเราคิดไหมทันเดียวนี้นะถ้าถ้าเป็นอาจารย์เทพสีทุ่มาต้มเนี่ยนะชี่โมเนี่ยนะเมื่อไรจะกรอบทุกีใช่ไหม ตอนว่างมาัไม่คิดอะไรแล้วอยากจะนอนอย่างเดียวใช่ไหมนั่นแหละนอนหลับน่ะมันมีความสุขหลับสนิทกับหลับฝันอันไหนมีความสุขมากกว่ากั น, นแสดงว่าปัญหาเกิดจากไหนเร่ อ, นะอาตามไม่สนีทเกิดจากความคิดไง อ, อขนาดหลับสนิทกับหลับฝันมันยังแยกอีกนะมีมีช้อยให้เลือกอยู่นะหลับสนิท รู้สึกจากมีความสุขมากกว่าหลับฝันก็ยังไม่ไม่มีความสุขแต่มันก็ยังดีกว่านอนไม่หลับใช่ไหมเห็นไมพวกเรามาอยากจะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่มันทุกทุกวันนี้ไม่ใช่อะไรนะอยู่ที่ความคิดหมดเลยทําไมพวกเราเป็นเด็กกับตอนเนี้ยทําไมตอนนี้มันทุกข์มากกว่าเพราะเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ไหมเท่าแก่กับลูกน้องใครทุกข์มากกว่ากัน <bakın S 1> หัวหน้ากับลูกน้องใครทุกข์มากกว่ากันเห็นไหมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นน <enga. S 1> ่ะ แค่ทําหน้าที่ลูกน้องกนน่ะทําตามหน้าที่ทําคําสั่งตามคำสั่งแค่นั้นหน่นะเออเท่าแกเนี่ยไม่ใช่เป็นงั้นที่สั่งเราต้องมันอย่างนี้มันโอ้ยไม่ใช่สั่งอย่างเดียวก็มานั่งคิดตอนคิดอาจารย์ก็เห็นหรอกถ้าอาจารย์ไม่เห็นลูกศิษย์อาจารย์จะไม่รู้คำนี้ขึ้นมานะพอมันอยูุ่ดสลามาวัดนะนอนแผ่ร้านเลยนะโอ้สบายแล้วเกิดแล้อาจารย์มีความสุขแล้วเกินอ้าวทำไมอยู่บ้านไม่มีความสุขก็เว้ยมันวุ่นวายอย่างนั้นนี้เอ้ามันวุ่นวายแล้วลูกน้องคุณนอนหลับสนิททุนน้้อองงคุุณ่นวมหือ คุณนอนกี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มลูกนองนอนกินทุ่มลูกน้องอ่ะสองทุ่มพอหลับแล้วตอ น, นเย็นเขาจินเหล้าอีกต่างหากนะเขามีบ้านไหมมีรถไหมมีทรัพย์สมบัติมันเราไหมไม่มีแต่ทำไมเขามีความสุขมากกว่าเราก็ไม่ค่อยได้คิดอ้าวแค่นั้นเองจบเลยปัญหาอยู่ที่คิดเราเป็นทุกขแกเนี่ยนะแล้วก็ทําตามหน้าที่แค่นั้นเองไม่ใช่หรือ ได้ไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องกําหนดกฎเกณฑได้ถ้ามันกําหนดได้พวกเราก็รวยกันหมดแล้วไม่มีคนจนแล้วใช่ไหมนี่แหละสิ่งที่ไม่รู้ตัวเองอ่ะเนอะเออสารจุดถีประมังทนานไงความยินดีพอใจตามมีตามได้น่ะนะน่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอย่างนี้เนอะเออสิ่งที่คิดทุกวันนี่มันไม่ได้ทํานะแล้วก็สิ่งที่ได้ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการด้วยที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ย อันนี้คือปัญญานะลองพิจารณาดูว่าให้ทาสมาธิสมาธิตัวนี้มันจะมีสติจิตแต่คิดอะไรมันเป็นธรรมะให้สอนระบบเลยคืออย่างที่อาจารย์พูดบ่อยๆนะพวกเราอาจารย์ทุ่ดงกลางคืนนะอาจารย์ลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์คนลูงปุถเทศอาจารย์ชื่อว่าเป็นหลานลูกปุถกล้มบัมปูมั่นนะไม่ใช่เป็นเลร็นเป็นเหรหล่อนเลยนะลูกปุถุเทศเป็นลูกศิษย์คนลูงปู่มั่นอัตมาเป็นลูกศิษย์คนลูงปู่เทศก็ถือว่าเป็นหลานลูกปุถุมั่น ไปยี่เป็นเหรียญเลยนะหลวงปู่เทศเป็นลูกศิษย์รุ่นที่สองรุ่นใหญ่แต่หลวงปู่ท่านมรณภาพหลังเพื่อนเพราะว่าท่านอายุน้อยหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่เตื้องหลวงปู่ลุยหลวงปู่อ่อนต่างๆนี่คืออายุมากกว่าหลวงปู่หมดเลยหลวงปู่ท่านก็เลยอยู่นานหน่อยเพราะท่านบวชแต่น้อยเฉยๆเหมือนอาตมาเนี่ยเพื่อนอาตมาเนี่ตายเยอะแล้วนะใช่เฮ้ยทำไมเป็นเพื่อน เ, เพื่อนในตัวหัวเขาเนี่ยนะตัวหัวเพื่อนในพันเนี่ยก็เท่าไรก็เยอะเท่าไรเจ็ดสิกว่าปีอย่างเงี้ยเออเมื่อเช้าในหลวงพ่อองค์หนึ่งก็หกสิกว่าปีท่านอายุมากกว่าตมาเมื่อเช้านั่งหลังตมาเนี่ยนะเจ อ, อท่านไปเพื่อเพิินบน 28, วชตะสนอายุยีสิบแปดอมดอาจา ร, รย 20, ์บวชอายุยี่สิบเนี่มันก็เลยรู้สึกว่าตายทีหลังเขาวนะ่างันเจอรูปบุพเพเทศนะนะหลวงปู่มั่นท่านสอนเรื่องการทําสมาธิอย่างเดียวท่านไม่ได้สอนอย่าอื่นเลยนะเออทําไมอ่ะ ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอ้าวสารงให้ฟังนะ ง, ง่ายๆก็คืออัตามาทุตดงกลางคืนนี่นนะ ม, มันมันทำไมเดินกลางคืนมันไม่ร้อนไงกลางเสห้าโมงหกโมงเดินแล้วทีทีหนึ่งเช้าคืนก็ช่างก็งเห็นป่าในอะไรจะพักเข้าไปแวะพักตรงนั้นแหละเออเข้าป่าห่างหมู่บ้านทักสามกิโลสี่กิโลก็ช่างเขาให้มันมีป่าพอไปถึงล้วก็แขวนกดหาที่เขาแขวนกด 4ทุ่ตีหนึ่งเที่ยงคืนรถใครจะไปสรวจตรวดูใช่ไหมล่ะง่วงก็ง่วงแล้วไหว้พระนิดหน่อยก่อนนั่งสมาธิแปบเดียวก็ไปแล้วเออหลับสบายตือนขึ้นมาสว่างโว้ไม่มีอะไรในสว่างพอืึนมาอ้านี่เรานอนอยู่ป่าช้านี่หวะนอนอยู่ป่าช้านะแล้วมีน้ำซ้ำน้ำป่าช้านะไอ้ไอ้กองฟันมันก็อยู่ที่หัวนอนนั่นแหละั้นจะหนีขั้นจะย้ายก็กลัวอายยมก <c oughs> รร า, า, านกลัวผีใช่ไหมืนที่สองนะทีเนี้ยอ่าแหละ นั่งกอกลัวกตัวเขามานั่งด้วยจะนอนต ะ, ต ะ, ตะแคงก็ไม่ได้ปกติเรานอนตะแคงขวาใช่ไหมกลัวเขามาจับตูดบ้างก็เขามานอนข้างหลังว่างสารพัดนะนะโอ้ทุกมากแต่พอหลับนะผีก็หลับตามนะ <c oughs> เออพอหลับพี่ก็หลับตามเหมือนกันเถอะมีผีไหมพวกเรามีผีไหมผีมีไหมผีมีกริงไหมมีกิงใช่ไหม คืนแรกทำไมไม่หลอกถ้าผีมีจริงผีทำไมไม่หลอกคืนแรกนะฮะแต่คืนที่สองผีหลอกแต่พอลพหลับผีก็หลับตามกเจอไม่หมดแล้อกิออ่กงไม้มันหักหนะักอยู่ที่เดิมแหละกิ่งไม้มันหักกลางวันนะก็เป็นกิ่งไม้นะหักก็คือเป็นอะไรผี <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมไอ้รากไม้นี่แหละเราเดินจงกรมนะเดินจงกรมอยู่ มันเดินไปเดินข้ามรากไม้ใช่ไหมเดินผ่านไปทำไปมกลางกลางวันก็เป็นรากไม้นะกลางคืนมันไฟคมนะ่ะไฟไฟเทียน น, ะนะ่ะแวบแวบแวบมันไมมันไม่สว่างชัดพอหันหลังกลับมาจะานั้นแหละเป็นอะไรงูเคยเจอไหมพวกเราแล้วตกลงงูที่อยู่ที่ไหน <c oughs> งูอยู่ที่ไหนฮ่า <c oughs> อยู่ที่กีบเราผีอยู่ที่ไหน <c oughs> เอออาจารย์วีผีหล่อบอกให้รู้ ไว้เป็นครูสอนไว้ทั้งใหม่เก่าว่าได้มีพระตดวงหลายองค์เจ้าพากันเข้าป่าช้าแสนน่ากลัวในคืนแรกไม่รู้หมู่หรือจา่าไม่มีใครนำพาหรือว่ามั่วหลับสบายปางตายไม่รู้ตัวพอรุ่งเช้าทุกคนคงสบายแต่พอวันที่สองมองรอบข้างช่างอ้างว้างพาหนีคงไม่สายพอมาคิดอีกทีโงหน้าอายพระกลัวผีหนีไปคงอายคนในคืนแรกผีไม่หลอกบอกในท่าน ทั้งกลางวันกลางคืนยืนถึงหนุนคืนที่สองผีหลอกหลอกทุกคนแต่พอหลับผีก็หลับตามตามกันกลางวันเห็นตอไม้เป็นตอไม้กลางคืนเห็นเป็นผีนี่แสบฉันใครกันแน่ที่หลอกหลอกทุกวันอ้อตัวฉันนี่เองหน่าเกรงกลัวมีผีโลคผีโกรธและผีหลงผีโนงผีดีและผีชั่วผีไหนๆก็ไม่เท่าเจ้าหลอกตัวผีมีกินยังต้องกลัวตัวเราเอ้ยไอ้ไหมพวกเรา แล้วโกรธเคียดเทียเท่ยงจริงเราเปนคนคิดขึ้นมาสร้างกันมาเองเลยเราโกรธเขาคิดโกรธเขานี่เขารู้เรื่องไหมใช่ใครทุกข์เราทุกข์เราเคยเข้าใจผิดกันไหมบ่อยด้วยซ้ําไปนั่นแหละแต่ไม่จดจําเคยได้ไหมคิดเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่า ง, งนีงงน้แต่พระเขาก็ยิงไม่เป็นพวกเราดูละครดิดูละครเรา ด, ดูดูละครนั่นแหละนั่นแหละตัวเราเลยนะนะ แต่เขาสร้างเรื่องนี่คนในใ น, ในเรื่องไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้หรอกคนดูรู้ไหมเออโอ้ยนี่ไม่ใช่นี่วะเอาบางทีกออ็แกล้งเป็นคนจนอย่างเงี้ยนะอันเนี่ยในละครก็จะสร้างแบบให้มันเข้าใจผิดกันไงเนี่ยเราก็คือละครนั่นเองมากกว่าละครอีก น, นะหนักกว่าละครอีกเนอนะเพราะมันทุกขนาดจิตเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิอย่างที่ตะมาว่าเนี่ยนะถ้าเด็กมีเข้าแถวหรือว่าทหารตำรวจไม่ได้เข้าแถวนีก เขาก็จะไม่เห็นหมดหรอกถ้าเข้าแถวไม่ได้เห็นหมดเลยไงใครจะคุยกันหรือใครจะออกแตกแถวจะเห็นหมดเลยนั่นแหละก็ว่าเห็นจิตนั่น<ช>นะเออการที่จะทําอะไรทีเนี้ยมันก็จะมีสมา ธ, ธิตลอดเข้าใจไหมจะทําอะไรเพราะว่าเราควบคุมตรงนี้นี่นี้ไปแล้วไปอยู่นูนน่นเขานอกหมดเลยไม่ได้อยู่กับตัวเลยนะโอใจเอ๋ยไม่อยู่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเห็นเขายืนยั่วอะไรนั่นนะไนปะก็หลงไหลประมาณนั่นนะเนีย เราไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็คือไม่มีสติสติมีสองอย่างสติก็คือสติการฝึกกับสติที่ฝึกได้แล้วสติที่ฝึกก็คือควบคุมให้มันเนี่ยกําหนดจิตให้มันอยู่กับอารมณ์ให้ใจเนี่ยนะหรือ ว, ว่าอยู่กับตัวนะทําไมตึองให้อยู่กับโซทําไมตึองอยู่กับลมหายใจทําไมตึองทําสมาธิเนีจริงๆโลก การสอนสินสมาธิปัรญาสินสมาธิปัญญาวัฏฐานสินภาวนาสันติภาวนานี้สอนกันมาตั้งนานตั้งแต่เซนพุทธเจ้าเลยนะพวกเรานะแต่ว่าด้วยการที่ว่าไม่ใส่ใจสนใจไงค่อยๆเลื่อมเลือนไปเรื่อยๆนะโยมก็มีทานสินภาวนาเขาพรก็บอกกัแล้วแต่ไม่ค่อยทําพระก็มีสินสมาธิปัรญาแต่ก็ไม่ทํากันอย่างเนี้ทําไมมันคืออะไรอย่างเงี้ยเนอะทำไม่ภาวนาก็ได้อยู่ได้กินหรอกไม่นะคือพอได้อยู่ได้กินอยู่อย่างนั้นนะกิ่งๆมันเป็นต้นหลักฐานของ ลากฐานของศาสนาหรืการทําสมาธินะวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ทำยังไงวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้แสดงว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาสมาธะเลยเหรอนี่ยหรอวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ทำยังไง <c oughs> นั่งสมาธินะอธิษฐานจิตหลังจากที่ได้รับข้ามุทุปยาตจากนางสุชาดาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วรผมก็ทรงมองนางสุชดานางสุดาก็รู้ว่าพระองค์อยากจะได้ถาดเพราะไม่มีอะไร คือพวกไม่ได้บินถบาดแล้วไงไม่ได้บินถบาดเลยบอกเขว่าบาทหายไปเงนินเดือนพวกองค์ก็ได้ถาดทองคําที่นางสุจดาถวายข้ามมรรคทุพยา่าตเสร็จแล้วก็ไปลอยถาดไงอธิษฐานนะ่ะเออถ้าเราจะตัดทารุวันนี้ก็ให้ถาด จ, จนลอยตวนกระแสถ้าไม่ได้ตัดตรูรุก็ให้ถาดทองคําในลอยตามกระแสออพอ อันนี้มันก็เป็นอันหนึ่งนะพวกเราเนาะในขั้นอ่านก็อ่านเรียนไปเรียนน้เชนแหละแต่ไม่อาจารย์สังเกตดูลองดูเด้อสิ่งที่มันอัศจรรย์มันจะไม่ดีใจหลือพวกเรารู้นีดเดียใช่ไหมเฮ้ยถับมันไม่เหมือนไปที่ไหลไปตามกระแสปกตินี่นะมันทนกระแสอย่างนี้นะเนาะเออมันทนกระแสโอ้พงก็มั่นใจว่าเราจะได้ตรัสรู้ใช่ไหมล่ะก็ได้ยากแต่กรรมจัดโสตียาภามาก็ทําเป็นบรลลังก์ สธิฐานจิตเลยว่าถ้าเราไม่ได้บรุพระสัมมาสัมพุทธิยัแล้วใส่เราจะถึงแม้ว่าเลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปหลือเอ็นหุ่มกระดูกก็ตามดีเราจะไม่เลือดเนื้อหลือเอ็นหุ่มกระดูกก็ตามดีเราจะไม่ลุกจากบัลังนี้ได้กาลังใจใตอนช้าแล้วใชไหมกำหนดลมให้ใจเข้าออกเรียกอาณาปันนสติที่จะมาว่าลมให้ใจมันสำคัญที่สุดไง มันสำคัที่สุดนตัวเราคือลมหายใจเออเราเรากินข้าวเรากินสามื้อใช่ไหมเราไมใ่ใจกินที่มือ้อเนี่ยนะไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญก็บอกเลยไงลมหายใจให้ชีวิตความคิดให้ทุกทาไว้เลยนะลมหายใจให้ชีวิตความคิดให้ทุกพระองค์ก็ทรงกําหนดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพงศ์ทรงนาได้บรรลุปฐมยามก็คือตั้งแต่หกโมงจนถึงสี่ทุ่มนะ ไดบุลุปเพนิวาสานุตติยานคือระลึกชาติได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วก็ตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองพระองค์ก็เห็นการเวียนว่ายแต่เกิดของพวกเราเนี่ยแหละที่พ ร, ระองค์ทรงตรัสรู้ว่าพวกคุณทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะพูณทํ า, น, นะทานี้เป็นอย่างนี้นั่นนะก็เรียกว่าจุตูปปาตยานโดยการทําน้าที่เฉยๆเดีนะพวกเราแล้วก็ตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าพระองค์ก็ทําอัศวะให้สิ้นไปเนะี่ยดูดีคืนเดียวนะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า จากลมหายใจเข้าออกเลยล่ะถ้าเรียกว่าอานาปานตยสัปริปุณาสุภาวิตากายปิอนิขิโตโหปิกิตตมปิโหติอนิจตังสติหรือว่าระลึกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกปริปุณาผู้ใดทำให้บริบวนแล้วยโยปิอนิขิโตโหปิทั้งกายทั้งกิตย่อมไม่วันไหวง่ายไ้มพวกเราแค่รู้แค่นี้มันเกินค่ามันเกินคุ้มเลยนะ ถ้าพเราเสนใจใส่ใจสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนะนะมันจะให้ชีวิตของเราดีมดเลยนะนี่หลาก็เรียกสร้างสติที่คุณท่านประธานบอกใอาจารย์บอกฝึกสติฝึกอย่างนี้เวลาหลังจากนั้นมาเราจะมีสติเลยทีเนี้นยจะคิดอะไรเงีรู้เลยนะมันจะหลอกเออขอโทษขอโทษนะจิตมันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมน้ําลายลดหน้าเลยเชะคุณอย่าหลอกฉันอยเงี้ยเคหัวเลยนะ่มันหลบเลยนะผมน้ําลายลดหน้าเขคหัวแล้วทีนี้เฮ้ยไม่คิดจะรู้อะไร เอาอะไรจิเน่มีคาถามแล้วฟังให้ดีนะพ อ, อนั่งสมาธิมาบอกอาจารย์เป็นไงเป็นมาธิจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์มันีนาามนม่มีสมาธิใครเป็นคนคิดอ่ะใครเป็นคนคิด<า>เาราได้ไงี้าตัวเองคิดอ่ะเูาได้ว่ามันไปอ่ะถ้ามันเป็นเราเราก็ต้องเป็นคนตั้งใจคิดดิใช่ไหมมันไปเองนีจริงไหย ม, มันไปเองไหม เราดึงมามันก็ไปเองอนะแสดง ว, ว่าไม่ใช่เราอันไหนที่ไม่ใช่ของเราเราไปตูนะ่เนามันจะทะเลาะ ก, กันลองดูที่พวกเราเนะอันไหนที่เราดึงนั่นก็มัดเยอะไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของฉันหรอกไม่ใช่ของคุณของฉันเนี่ยมันก็จะทะเลาะ ก, กันทะเลาะไหมก็เลยไม่อยากนั่งกันไงมันวุ่นวายไงเข้าใจไหมมันวุ่นวายเนี่ยอ้าวทีนี้รู้ว่ามันคิดใช่ไหมมันคิดแถึงต่ออาจารย์ได้ มันคิดแต่จานมันคิดไปไหนโอ้ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนบ้างอ่ารู้ว่าตัวเองคิดทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้คิดนะอ้าวทีนี้พูดถึงเรื่องหลับอีกพราะเราฝันเนี่หลับแล้วยังหลับแล้วใช่ไหมฝันจําได้ก็มีใช่ไหมคุณตั้งใจฝันไหมโยมบอกว่าเรานะหมายถึงจิตเราใช่ไหมเราได้ตั้งใจฝันไหมไม่ได้ตั้งใจฝัน อ้าวเป็นเราได้ไงจิ้รู้ได้อย่างไรว่าฝันอ่ะก <Yeah. S 1> ็มันหลับแล้วนะมีผู้รู้อยู่ฝันจําได้ก็มีใช่ไหมฝันจําไม่ได้ก็มีว่ไม่รู้ฝันอะไรจําไม่ได้เลยฝันเยอะแยะเลยรู้ได้ไงไวเองฝันจําไม่ได้เมื่อคืนหลับสบายเอารู้ได้อย่างไวงว่าหลับสบายอ่ะเ <Okay. S 1> นี่ยพูดค้งไว้ให้โยมฟังเนี่ยมันมีผู้รู้อยู่นี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบันคือผู้นี้ ตัดตัวชิดออกนะมีแต่พูดรู้สว่างสวยัยเลยแต่ยิ่งรู้มากกว่าทีเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะรู้มากเนี่ยอย่างที่ยังดังปับ๊บเ่ยอาจารย์ไม่ต้องคิดจารู้ว่าเขาเปิดประตูประตูปิดเช่นเนี้ยเออได้ยินเสีย ง, นนะ ง, งว่าน่ะแม่ตองแม่นอนนะ่ะน่ะเราได้คิดไหมเราได้คิดไหมเนี่ยน่ะมาได้คิดมันได้ยินเองมันมีไอ้ น, นึ่งอยู่แล้วอายตระมันรับรู้ ม, มันมันมีพู้รู้อยู่แล้วนอนหลับยังรู้เลย สลบยังรู้เลย อ, อัตมานี่สลบบ่อยเพราะว่าป่วยบ่อยนี่ยนะเขาตรวจลำไส้ตรวจอนะไรเนี่ยเอากล้องเขาไปส่องนลยนะแต่อาจาย์ก็รู้บางครั้งนะอันนี้อยากจะทดลองดูเห็นครูบาอาจารย์นะบอกว่าวท่านต่อสู้ท่านมีสติอาจารย์ก็ต่อสู้เหมือนกันเขายาสลบใส่น้ำเกลือน่ะนะให้มันสลบเมื่ออาจารย์บอกเออใส่เยอะๆนะ่โยมนะอาจารย์ใส่เยอะ ไม่ได้หรอกท่านเขาก็ใส่ตามความประมาณนั่นแหละมันจากพอพอเสร็จแล้วท่านก็จะไม่ลุกว่า ง, งั้นเอ้าเลยเลยอาจารย์เชยเลยนะมันก็เจ็บเหมือนที่ที่นนในเนมื่อไม่หลับอ่ะสอดใส่สา ย, ยางเข้าทวารนี่ยนะพวกเราไปส่องกล้องในกระเพาะน่ยนะนะบางทีก็สอดกระเจมูกนี่ยนะนะอาจารย์ไม่หลับเชยเลยนะแต่วันหลังมาว่าหลับก่อนที่ให้ยาเลยแล้วว่างั้นเถอะพอนอนก็เจียมหลับแล้วไม่เอาแล้ว สลบยังรู้เลยสลบยังรู้เลยนะแต่อาจารย์ต่อสู้อยู่ครั้งสุดท้ายนั้นก็คือเส้นโลหิตแตกเส้นโลหิตแตกในสมองยังได้ยินนะพวกเรายังรู้นะเออมันมาถามหมอเอ๊ะคนหมออาจารย์ได้ยินเลือดวิ่งในหัวเนะี่ยหมอหงงจะงงจะเห็นได้จะยินได้งไงเขาเลย ท, ที่ฟังนะนะใครเป็นหมอบ้างเนี่ยไม่มีสักคนเลยเขามาจุด ไปเจาะดีหูหัวเนี่นะเฮ้ยท่านตกใจเลยนะหมอเฮ้ยท He hey. He ่านเลือดในหัวท่านดังยิงกิงว่าไงเขาก็เลยโทรไปหาหมอหมอเฉพาะทางเนี่นะเนี่ยเขาได้เอาเหมือนกับเอาอยาแนวไปอุดไปอุดท่อประปาย่งั้นแหละเออเอายาเข้าไปอุดรูน่ะรูร่วนน่ะอาจารย์ได้ยินน่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินได้ยินดังมากกว่าเดิมอีกแต่ไม่เป็นดังซ่าซ่าซ่าเลยนะพวกเรานี่ย ที่ปัจจรในตัวอาจารย์รู้หมดเลยเออพราเรานั่งยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนั่งไม่ใช่เหรอยังเลนอนก็ไม่รู้ตัวเองนอนนะหลับก็ลืมไปเลยน่ะนั่งก็ยังไม่รู้ตัวเองนั่งนะส่วนมากอ่ะจะไปรู้ได้เองไงอยู่ที่นู่นมันออกมีหมดแล้วสิ่งที่ดึงพลังเรามันออกมีหมดแล้วทําไมรู้ว่าตัวเองหลับหลับฝันก็พูดได้ใกล้หวยนี่ตีเป็นหวยกันอยู่นั่นแหละคุณมันคืนไม่นลูกฝันอะไรไม่รู้ก็รู้ เขาาใจไหมบอกไม่รู้ฝันอะไรนะนั่นรู้ไปแล้วถ้าตัวเนี้ยความคิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาง่ายว่าพวกรู้มันรีบหลี่มันน้อยะมันมีพลังพวกเราไปดูไม้นะไม้พยุงไม้มะข่าไม้ที่มันมีราคาแพงๆอะ่ะไอตอนเล็กๆเกท่าแขนเท่าเ น, นี้นะเท่ า, นนทากับโถเนี่ยแก่นมันจะเล็กเออแก่นจะเล็กมันก็จะไม่แข็งนั่นไม่แข็งแรงแต่พอนานไปนานไปนะ ก่นมันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นกระพี้มันจะลดลงลดลงบ้างบางอย่าง น, นั่นแหละที่จริงมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมกิจเรากับอารมณ์นะก็ผู้รู้เลยว่ากระพี้เนี่นะมันก็อยู่ด้วยกันนะอารมณ์ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละนะอารมณ์ก็คือเปลือกของเงินเต๋นะกิตก็คืออกระพีนะแกนะ่นก็คือผู้รู้ของเงินเต๋อ ผู้รู้เนี่ยนะก็คือจิตนั่นแหละแต่แยกให้ฟังชี้แจงว่าเนี่ยผูร้รู้พอตัวนี้มันโตขึ้นโตขึ้นจิตมันก็จางลงที่ทีนี้ยความคิดไม่มีผลกับเราเลยนะเออเอาง่ายๆความคิดเนี่ยนะมันเหมือนกับเพื่อนเราเรารักกันเนลยนะสนิทกันมากๆนี่นะเนะีเวลาเขาชวนไปไหนเขาชวนคุยก็คุยใช่ไหมคุยกันทุกวันทุกวันเนี่ยเราว่ามีรู้สึกว่ามันเสียเวลา เราจะปฏิวัติเราจะไม่คุยเราจะไม่ไปกับเขาเนี่ยวันแรกจะคุยนานอยู่ไหมเขาเมื่อเน่ะนานอยี่ยนะวันแรกนะแต่วันที่สองนานเท่าวันแรกไหมเราไม่ไปนะวันที่สามก็น้อยลงนะที่สิ่ที่ห้าก็ไม่มาแล้วคือคิดนั่นแ่ะมันจะไม่ชวนความรู้สึกของเราไปได้เลยเราจะไม่มีความรู้สึกว่ากลัวเกลียดเคียดจังเลยมันบางว่างั้นเถอะเราจะคิดโกรธเขามันจะไปโกรธได้ไงเมื่อความขรุขมันไม่มี อย่างงี้นะความกดมันน้อยจึงคิดรักกดเจตที่สังไรมันน้อยมันก็เลยไม่ไปนี่นะพวกเรานี่เราคือทําสมาธิเฉยๆนะติเป็นอัตโนมัติเลยตรงเนี้ยพอมันแนบกับจิตแล้ววันที่ว่าน่ะเด็กเข้าห้องแถวแล้วเนี่ยนะเออพอเด็กเข้าแถวแล้วก็ี่เห็นหมดเลยไอคําว่าเห็นนั่นหลักคือเห็นกิเลสไงนายแดงนายดํา น, นี่ย น, นะรู้เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อปัญหาเกิดจากเจ้าเราเองเนาะอย่างเงี้ยแล้วพระเจ้าท่านต่ัสว่ามันไม่ใช่เราทีเนี้ยชัดเจนไหม พระว่าไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราถ้าเป็นเราเพราะเราก็ตอบอาจารย์เหมือนว่าพวกเราต้องมีความสุขทุกวันใช่ไหมพวกเราตอบอาจารย์ว่ามีความทุกข์มากกว่าสุขแล้วใครนั้นทุกข์ไหมจิตเราอย่างนี้นะแสดงว่าไม่ใช่จําไว้เลยนะพวกเรานะเอาลองดูมันเรื่องเดิมๆนั่นแหละเดิมๆจริงๆเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะจะโกรธเกลียดเรื่องใหม่ความรู้สึกก็เรื่องเดิมจะรักก็เรื่องใหม่ก็จริงแต่มันความรู้สึกก็เดิมๆมันไม่มากหายนเลยมันไม่เฮ้ ขอโทขอโทษนะอาตมาว่าตามานี่โง่อยากกระควายนะคนว่าอย่างเงี้ยเออตามามันชาวไรช่ชาว น, นา น, นะไถนานเอาควายไถยนะสมัยก่อนนี่นะเวลาจะดึงมาแล้วถักซ้ายก็ต้องดึงมาเวลาจะเลี้ยวขวาก็กระตุกกระตุกเงี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ยนึกภาพออกเลยโอ้เราไม่ต่างววกับวัวกับควายนะงั้นคือเขาจิชวนไปไหนก็ไปไงเอออารมณ์จิตชวนไปไหนก็ไปองเงี้ยเวียนม่าอย่างนั้นอ่ะทําไมทีเนี้ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะมันเดิมเดิมเดิมเดิมเลนะ เพราะเราจำได้ไหมเพราะเราโกรธจีนครั้งตั้งแต่เด็กจนป่านนี้โกรธจีนครั้งจําได้ไหมร้อยไหมมิร้อยได้ไหมเกินขอโทษนะใครที่มีใครที่มีขอโทษคนขอโทษขอโทษคนที่มีครัวมีครอบครัว น, น่ะนะมีสามีภรรยานะบางทีคนไม่มีก็มีเขาทะเลาะ ก, กันไหมมีไห ม, ม, มทะเลาะ ก, กัน แล้วทำไมอยู่ด้วยกันได้ทำไมอยู่ด้วยกันได้ั้งทะเลาะ ก, กันนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีกันนะเพราะเรารู้ไหมผีออก <c oughs> ผีสิงไหมพอสิงเข้ามาตอนนั้นนะ่ะเวลาทะเลาะ ก, กันมีไหมความดีอย่างมีไหม <c oughs> มีความดีไหม <c oughs> เออเวลารักกันมีไหมความชั่วน่ะ <c oughs> ตกลงมันเป็นที่ไหนนี่เฮ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ใจใจนั่นแหละโกรธอะเป็นที่อะไรป็นที่อาเป็นที่ความชิดโอ๊ยเก่งคนเดียวนี่เป็นที่ความชิดพวกเขาไม่อายกันหรือทะเาะกันอ่ะเวลาพูดกันอ่ะมันก็เลยว่าเหมือนกับคนมีมาครอบงําเราไงอาจารย์เคยใช้คําว่าผีสิงไงผีโลกผีโกรธและผีหลงผีถนนผีดีและผีชั่วแต่เป็นผีดีแล้วไม่ชั่วใช่หมดเลยเนะ่ะมันหลอกเราไงเข้าใจไหม เวลามาตอนนั้นน่ะอาจารย์บอกเลยบอกว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนะเราสูตรใหม่นะสูตรใหม่นะถ้าเวลาโกรธเนี่ยอาจารย์ไม่สอนทํามานะโทรศัพท์มาพูดโยไม่ไม่ไมพรอเลยแหละโยมพูดเพาพอมไม่พออะไรตอนนั้นนะพูดระบายมาอาจารย์ว่าโยมรักษาไว้นะก็สาอะไรอาจารย์รักษาความโกรธคนเนี้มันดับอาจารย์ว่าอย่างนี้ หัวล้อนี่แหละหัวล้อเหมืนพวกเราดิแหละรักษาไว้อย่างให้มันดับนั้นดับอาจารย์ะจะตอบโดมหน้าหนะัวใจมั่งเยอะหัวล้อก้ากเลยนนอะพอหอรอดแล้วนะที น, นี้อาจารย์บอกอยีกย่อมคิดอีกเนี่ยนะมันเชื่อไหมพวกเราอคิดอีกคิดเหมือนเมื่อกี้นี่เหมือนที่คุณกําลังกลอนมันเชื่อไหมเหมือนหัวควายไหมเนี่ยเอาอจงไว้นี่เข้าไปเนี่ยนะเห็นไหมพวกเราถ้าอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรรักษาไว้เลยนะเอาสูตรนี้ไปใช้นะพอมันกลัขึ้นมาดีใจเลยนะ เนีย่ยยานะท่านเติร์ดับแนตะ่ฉันตอบหน้าเธอนะว่างี้เลยเนะมันน่าอายเขาจะจุงจะบวกอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมทําไมถึงรักกันมันก็เอ า, เ อ, าเอารมณ์อื่นอีกครอบงําเราอีกอารมณ์รั ก, กน่ะนะเอออาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้พูดเฉพาะคนไทยนะคนต่างประเทศก็เป็นเหมือนเรานี่แหละคื อ, อเคยสอนสามีภรรยาคู่หนึ่งฝรั่งอายุหกสิบต้นต้ น, ตนแฟนคุณใช่ไหมอ่าใช่ครับ รักเขาบ้างไหมเนี่ยโอ้รักครับเฮ้ยตักวกันบ้างไหมเนี่ยโอ้โกรธครับจันก็ถามซ้ําอีกรักไหมรักโกรธไหมโกรธตกลงคุณมีแฟนกี่คนคนเดียวครับวันจอนคนเดียวทําไมมีสองอารมณ์อะเวลารักคิดยังไงโอ้ยเขาดีมีอุปการะเขาทำอะไรกินจะไหมเวลาโกรธเราไม่มีสักนิดเลยความโกรธความความรักกันเราไม่มีเลยแล้วเวลานอนหลับโกรกันไหมโกรกไหมพวกเรานอนหลับอะ ไม่โกรธเลยจะไม่ับยไม่โกรวใช่ไหมรักกันไหมเมื่อพอตื่นขึ้นมาท่านนึกถึงเรื่องทะเลาะ ก, กันเอาอีกไหม <c oughs> เอาอีกใช่ไหม <c oughs> นี่แหละที่อะมาว่าเราโดนเขาหลอกโดนเขครอบงำเหมือนอะเ <c oughs> อออาตมาเขียนกรอนกรอนแรกเลยนะพวกเรานะ <c oughs> เห็นตัวนี้แหละปัจจุบันอาตมาครอบงำจิตจึงมืดมิดหมดช่องมองไม่เห็น นั่งฟังธรรมจาไม่ได้ใจลําเค็นจึงได้เป็นคนเขา่าเศร้าปัญญาหัดคำสมาธิบ้างอย่างพระเจ้าจะมาเฝ้าเอาอะไรไปนางหนาเกิดเป็นคนต้องรู้จักพัฒนาเราเกิดมาค่าของคนพ้นที่ใจไม่ต้องพ้นที่ไหนพ้นที่ใจเรานี่แหละพ้นจากกีเลียดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันอายทีเนี้ยจะโกรธอยากจะจังขึ้นมามันอายว่เฮ้ยเรานี่โดนเขาครอบงำเราเนาะสั่งจะทำไม่ไรก็ทําตามเขาอย่างเงี้ยมันมาอายรู้ไหมพระเจ้าตราวันนี้พิธานะ มันเบื่อเห็นของเดิมๆซ้ำๆซักๆเนี่ยแหละเดิมๆซ้ำๆซักๆเนี่ยนะทีนี้มันไม่มันไม่เบื่อเพราะอะไรวางอันนี้นะก็ไปจับอันนี้พอจับอันนี้ก็ไปจํานี้ก็เวียนอยู่เนี้ยแะต่ไม่รู้สุกทีอย่างเงี้ยนะเออเอาลองดูเอาไปสูตรนี้ไปใช้นะเขาโกรธมาอย่านะไม่ต้องไปนึกขึ้นเขาหรอกอยานะถ้าทุนจับฉันตบหน้าเธอเนี่ยเลยเนาะเห็นไหมพวกเราต่อประจันเองนะร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนี่ยนี้โกรธเน่ยนะ ก็ยังเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็ยังไม่เป็นอิสระเลยนะโดนครอบงำตลอดเวลาเงี้ยนี่แหละการทําสมาธิมันจะมีสติเข้ามันเองอัตโนมัตินี่วิธีนึงนะไอ้วิธีที่การนั้นมันกาลังฝึกเฉยๆแต่ว่ามันมันไม่ใช่ทางลัดนะฝึกยังไงก็ฝึกให้มีสติเวลาจะทําอะไรกไ็ให้มีสติด้วยตลอดเวลาไงเ อ, อจะพูดจะทําอะไรให้มีสติ การทำงานทําการก็ยังมีแต่อยู่กับการันล้างถ้วยล้างชามก็หยบเครื่องกับชามจะกินข้าวก็จะอยู่กับกินข้าวอย่างนี้นะ่ะนะส่วนมากไม่ได้กินข้าวเคี้ยวก็กินไม่ได้เอาดูไปโอ้ยอะไรกันกันหนาไม่รู้นะเอาโอเคน้อใช้เวลาชั่วโมงหนึงน่งเนอะใช่ไห ม, เ, เ, มเดี๋ยวมันจะจะถึงแล้วนะเอาไม่เอาเอ า, เอาขอฝากไว้นะมันเวลามันน้อยอย่างเงี้ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะ เกิดจากเราโมดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรเที่ยงแล้วก็ไม่ใช่เราสักอย่างนะทุกอย่างนะให้พิจารณาดนะูเมื่อวานก็บอกอยวบอกโยมอยู่มาเอ้ยเด็กก็หายหลอกเด็วก็หายหลอกกันนะแป๊บเด็วก็หา ย, นะวหายเวลามันเป็นอย่างนี้ด้วยนะอันไหนก็ตรงกันแน่ว่าเนี่ยฮะนู้นอาจารย์มองตัวนู้นะนะึ่งนาะเนาะ เวลาไม่ดีขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็ตีอกชกตัวเข้าใจไหมก็เรียกว่าหลงน่ะเวลาไม่ดีขึ้นมาก็โอ้ตีอกชกตัวเวลาดีก็อ้อเพลิดเลิอย่างเงี้ยแสดงว่าเรานี่โดนครอบงำทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งแสดงว่าไม่ฉลาดเลยเข้าใจไหมถ้าคนฉลาดเกิดครั้งสองครั้งก็รู้แล้วจริงๆมันครั้งเดียวนะถ้าจะรู้จริงมันแค่ครั้งเดียวเนี่ยขอตัวขต้นนะอาตมานี่ความทุกข์อาตมาไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนะคิดถึงแม่แค่นั้นเองนะ เพราะว่าออกพรรษาก็ทุดงเลยไปนู่นกาญจนบุรีจากจังหวัดเลยนะแปน็นใสยโยกนลยนะที่ป่าที่เขาเวลามีสมาธิโอ้โหอยากจะให้ชาวโลกมาสัมผัสรับรู้มันเราเลยเกินนพอไม่มีสมาธิทีเนี้ยคิดถึงแม่กิเลสไม่ใช่กิเลสแต่เกนะินไม่กิเลสคิดถึงแม่พอคิดถึงแม่แต่ว่ามันไม่สุดสายพอคิดถึงไปอ้าวพรางั้นมันหยุดเมื่อก่อนนี้แม่ทําไมไม่มีตอนมีสมาธิแม่ทําไมไม่มี พอคุณหลุดจากทำไมที่คุณไม่คิดถึงแม่ความรู้สึกมันอยากอ ย, กอยกไปหาเขาไหมอยากจะกลับอยากจะไปความรา่ำร้อนเริ่มขึ้นมันตัดครึ่งก่อนนี้งอ๋อแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนแม่อยู่บ้านใช่ไหมแต่ทําไมเราไม่นึกถึงเขาตลอดเวลานะ่ะตรงลงแม่อยู่ที่ไหนอออยู่ที่กีดเราเนี่ยนะถ้าคิดถึงมีเลยอยากจะกลับหาเขาเงี้ยมันก็เลยปิ้งมันอ๋อ เกียเจ็บชังนะถ้าเรามีคิดอย่างนะพวกเรานะไม่มีเลยอย่างที่ตมาว่าเนี่ยจะกี่เวลากี่ชั่วโมงชั่วโมงก็ช่างก็มันนั่งอยู่นี้จะไปมันก็เหมือนเดิมอยู่ที่วัดก็เหมือนเดิมอยู่ที่สนามบินหรือยู่ไหนก็เหมือนเดิมเวลาเท่ากันหมดเนี่ยวันนี้น้องก็ยังมานี่ยเนเนี่ยขับรถมาพาจารย์ไปฉันข้าวที่บ้านแล้พี่บ้านผมไกลไหมวะเงินเราไม่ได้ครับเราไม่รู้ด้วยบ้านคุณอยู่ไหนเจ้าก็บอกว่าเราไม่ได้ครับแค่นั้นเลย เราคิดแล้วมันทันนั่นไหมพวกเราอู้หู้เมื่อไรจะถึงเม่อไรจะถึงมันถึงไหมใช่ เ, เออนี่แหกิตอาสาทางจิตปุถุชนไงกิจระยะชนท่านเห็นธรรมดาอ๋อโอ้ยใจกี่ชั่วโมงชั่วโมงนะก็นั่งสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเท่าเดิมนั่นแหละนะเอาสรุปง่ายๆว่าชีวิตของคนเรามันเท่ากันหมดนะพวกเรานะเออระยะทางเนี่100ยร้อยกิโลเส้นทางร้อยกิโลเนี่ยเนี่ยเส้นทางเดียวกัน ถ้าใครไปเอะอะโวยวายว่าทางมันโค้งทําไม่ตัดให้ตรงทามันขึ้นเขาทําไม่ตัดให้มันเรียบคนนั้นก็ทุกคนที่ไม่ทุกก็คืออ่ามันโคดก็ชะลอตามเหตุตามปัจจัยนะถึงทุกมันก็ถึงที่หมายปลายทางมันเดิมไม่มีใครจะอยู่ตรงนั้นนะรถจะเสียก็ไม่อยู่งั้นตลอดปีตลอดชาติใช่ไหมชีวิตการใช้ชีวิตมันก็คืออย่างนั้นแหละแต่พอไปดีสันตีอกชกตัวแต่พอดีไม่พูดนะเออดีนะไม่พูดนะใช่ไหม แต่ไม่ดีเน่ยจับเยอะเกินอ้าวสมมติว่าลูกมีสี่คนลูกไม่ดีลูกไม่ดีได้หนึ่งคนดีสามคนเนี่ยเราจะไปนึกถึงลูกคนไหนมากกว่ากันลูกคนไม่ดีทุกไหมคิดถึงลูกคนไม่ดีทุกใช่ไหมแล้ะนึกถึงลูกคนดีทุกสุขไหมแต่ว่าเราไปนึกถึงลูกคนที่ไม่ดีมากกว่าที่บอกว่ารักสุขเกลียดทุกิงไหมเนี่รักสุขเกลียดทุกใช่ไหม ไม่ต้องนึกถึงเขาลูกไม่ดีนะนะเพราะมันทุกข์นึกแต่ลูกแต่ดีแต่มันไม่เอา ม, มิชอบมันรักทุกข์มากกว่าสุขแม้นะพ่กเรานะนี่แหละอยากจะรู้ธรรมะไม่ต้องไปรู้ที่ไหนเลยธรรมะพระเจ้าดี่ตัวเราหมดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปสํารวจใครเลยที่อาจารย์พูดนี่พวกเราเป็นมนอาจารย์หมดเลยเต็เหมือนกันหมดเลยแต่เพียงที่ว่าไม่รู้แค่นั้นเองเหมือนกันหมดเลยนอนหลับก็ไม่โกรธไม่เกลียดใคร อแล้วก็พวกเราก็โดนหลอกตัวเองมาหลอกหลอกหลอกไม่รู้หลอกก็ไม่รู้ทสักทีเออขอโทษขอโทษนะซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยคิดว่ามันจะถูกไหมทูกครั้งไหมแล้วถูกกี่ครั้งไหมแล้วก็ยังโดนหลอกอยูนั่นแหละโอ้ยทําไมตึงเป็นอย่างนั้นทำไมเฮ้ยเฮียมันน่าขอโทษขอโทษนะมันน่าอายนะพวกเรานะมันน่าอาย ทำไมต้องให้โดนเขากลอกอันนี้มันไม่ดีนะจีเรียดน่นนะทําไมต้องให้คนไม่ดีมาหลอกเราทําเราไม่เป็นอิสทําไมไม่เป็นอิสระทําไมให้เขามาหลอกเราเพาเงินเธอจุงยังก็ว่าเขาควายเนี่ยนะซื้อทุกครั้งแไม่เหมือนน้อยถูกไม่ถูกหรอเอาเงินที้เขาเฉยหลอกมีไหมมีไห <c oughs> มว่ะเออเอาเงินให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลเชยไม่มีหลอก <c oughs> ซื้อหวยก็ไปให้ใจไปเอาเงินเลยให้ใจเจ้ามือหวยใต้ดินเฉยหลอกมีไหมตอนแรกก็เหมือนกับไม่หวังกันนะ เผืเ่อนั่นแหละก็เผื่อก็โดนหลอกเหมือนเดิมมั น, นอันเดียวเลยนะแต่มาพูดแต่เรื่องกีดอย่างเดียวเลยนะกีดมันหลอกเราทั้งหมดเลยนะ ห, อหลอกให้ทุกอย่างนะต่อไปนีอย่านะต่อไปหลอกเขาบ้างนะถ้าคนยังมาหลอกฉันฉันจะหลอกคุณเมืนีงง้น่ะเออจำไว้นะโกรธเกลียดเจ็บชังทำไมถึงมีจริตหอกไพวกเราแสดงว่าคนเรามันหนักไม่เหมือนกันไงใช่ไหม ทำไมขี้โกดก็ขี้โกดคงก็รักสวยรักงามพอคนที่ไม่เโง่อก็โง่คนที่ฉลาดก็ฉลาดเกินไปคนที่สตาจะสตาก็สตาเกาินไปอย่างเงี้ยเนะมันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเนี่ยผู้เจ้าท่านรู้หมดเลยนะพก็คนมีกิเลสครอบงำแต่ละคนแต่ละคนไ ม, ไม่เหมือนกันถ้าเราสลัดตรงนี้กได้เนี่ยเราเป็นอิสระทีเนี้ยการเวลาก็ไม่มีไม่มีผลกับเราความสุขความทุกข์ก็มีมีผลกับเราเข้าใจไหมเพราะว่ามันไม่เที่ยง เอาสลบไปง่ายว่าอยากจะมีสตินะคือทําสมาธิมันจะเป็นต้นมัติเลยมันจะเป็นต้นมัติอาตมาพูดถ้าอาตมาพูดพลาดไปอาตมาต้องขอโทษโตอาจารย์รู้ภายในก็เข้าใจไหมจะทําอะไรพูดผิดอาจารย์ก็ต้องกลับมาพูดใหม่หามันพูดผิดนั้นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมตัวรอตัวรอมันไม่ไม่งั่ น, นมันพูดผิดต้องพูดใหม่เดี๋ยวก็เจอไหมมีสติภายในมันจะควบคุมได้หมดเลยเข้าใจไหมก่อนที่จะมามัน อยู่วัดร้อยเมื่อก่อนเนี่ยมาอยู่วัดร้อยรูนะจังหวัดตราดร้อยรูไม่ใช่ร้อยโลร้อยรูมาไปแสดงธรรมเขาเอออาจารย์ร้อยรูมาแล้วอาจารย์ร้อยรูมาแล้วเฮออาจารย์ร้อยรูโหมันเจอเท่ปะอาจารย์ไม่ให้มีไม่ขีเลยนะท่านเห็นไม่ขีจะว่าไม่ขีร้อย <laughs> อาจารย์ก็เลยแต่งกรอนให้แต่งก็ไม่ได้ตั้งเจตนาด้วย ไปไปไปคอมเมเพื่อนชวนนี่ชวนไปคอมเมนต์ผมไปเห็นกระดาษอยู่ในในในเจ๊ะร้อยนะกระดาษม้วนๆ น, นะกระเรฉันร้อยรูไม่ร้อยเล่และร้อยรัก ร้อยตระหนักในธรรมนำสวรรค์ร้อยศีลทานภาวนามาประจำทุกเช้าข้าร้อยรบสยบมารร้อยทวีร้อยความดีมีค่ายิ่งร้อยรู้จริงสิ่งทั้งปวงบ่วงสงสารร้อยความเพียรปัญญาหานิพานร้อยประหารร้อยชำระชนะใจถึงร้อยรูรู้้ร้อยใช่ร้อยเล่ไม่โลเลเหลาะแหละเละเหลวไหลร้อยรอบรู้หลายเรื่องร้อยดวงใจร้อยพวกเราไปร้อยรู้เรารับรองร้อยทวีนี่แหละหนาพาให้คิด ให้สติดวงใจใครทั้งผองขอเชิญใครใครไปทดลองท่านจะต้องรับรู้ร้อยรู้เอ๋ <gosto> อยโอเคเนาะอาจารย์หมดเวลาแล้วเนาะก็ในนี้ก็ฝากว่าการทําสมาธิเออการทำํำฝึกสติมันมีสองอย่างฝึกทั่วไปเนี่ยก็คือมีสติในะการทําการทํางานเนี่ยนะจะล้างถ้วยล้างจานจะปัดกวาดเทถูจะทํำอะไรมีสติแต่อันนี้มันต้องฝึกแต่ว่าสติโดยไม่ต้องฝึกเลยก็คือฝึกตัวเนี้ย เพื่อมีสติภายในแล้วจะทําอะไรเป็นหมดเลยทีเนะี้ยทำอะไรแบบถูกต้องแบบละเอียดนั่นเองกระดาษอาจารย์ที่ใช้เนาะเนี่ยกระดาษอย่างเงี้ยพวกเราสังเกตดูนะดึงขึ้นมาเอาเลยใช่ไหมเช็ดเลยใช่ไหมแต่ตามาไม่ใช่นะเนี่ยถึงแม้จะดัดเสร็จแล้วดูเนี่ไปดูที่ในกระโทนนี่นะอาจารย์จะพับอย่างเงี้ยมันใช้ได้จ น, จนหมดเลยนะอ่ามันเปียกทั้งด้านนี้แล้วก็ เปลี่ยนค่ายไม่เจอไหมอย่างเงี้ยถ้าได้ฝึกดูแลหลวงปู่เทศไงเนี่ยพับอย่างเงี้ยสามชั้นเช็ดตูดท่านเออเอาเช็ดแห้งก่อนอยันที่สองก็จุ่มน้ําอุ่นครึ่งหนึ่งแล้วก็เช็ดตูดอันที่สามก็แผ่นเนี้ยสามแผ่นเช็ดตูดหลวงปู่เนี่ยนะมันเลยติดนิสัยนี่กันการฝึกมาจากไหนมาจากการที่เราทําสมาธิอย่างเดียวนะแม้แต่การกราบการไหว้มีสติทุกขณะที่กราบ นะขึ้นมานี่ถ้าหลับตาเนี่ยมันจะงายหลังเนี่ยมันเบานะลองดูนะพวกเราน ะ, ฝ, า ะ, ตะตนะฝึกทางรัฐก็คือสตินะฝึกสมาธิอย่างเดียวทุกอย่างจบหมดเลยไม่ต้องกลัวอธิบายแล้วนะว่าผู้รู้เป็นยังไงนะเหมืนผู้รู้มีมดรู้ว่าโกรธก็รู้ใช่ไหมรู้ว่ารักว่เกดรู้มุดนั่นแหละแต่ว่าผู้รู้ตัวนี้ไม่มีพลังโดนตัวคิดเนี่ยมันดึงไปหมดมันมากกว่าเขามีพลังมากกว่าแต่ถ้าผู้รู้ตัวนี้นะมันมีพลังทีนะี้เออย่ามาหลอกฉันอย่างงี้นะตอบเลย อย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยขอโทษขอโทษนะเมื่อก่อนเราเป่าเขาเป่าเราอย่างนี้เลยนอะอารมณ์เนี่ยเขาเป่าเราอย่างนี้แล้วไปตามเขาแล้วปิลไปตามเขาน่ะนะแต่ถ้าเรามีพลังขึ้นมาทีเนี้ยเราเป่าเขาเชอะคุณยังมาหลอกฉันอย่างเงี้ยน่ะนะถ้ามันโปรธเจ็เชค่จังขึ้นมาดีใจไปเลยนะพวกเรานะเออเราจะได้จับอารมณ์นั้นจะดับนะจะดับโอเคโอเคนายนาก็มาได้เจอกันแล้วก็ขอฝากนะว่า ทานศีลภาวนามาให้ครบทานศีลภาวนาต้องทด้วยนะมาให้ครบจะประสบสมดังตั้งใจ่ไม้เกิดชาตินี้ถึงคีวีจะวางไว้ไม่เสด็เพราะได้พบประสบบุญอา้าวไหนๆก็นนยังในช่วงปีใหม่อยู่เนาะเจ้าบทจ้กรอนนะเพราะว่าคนคนแม่ก็าขอขอข อ, ขอให้ให้พรปีใหม่เลยเนาะนวาระดีทีขึ้นปีใหม่ขออวยใจให้พบประสบฉุกปราจจะจัดโรคร้ายให้ใครทุกประสบฉุก สมดังดังตั้งใจสิ่งได้พ้นขอให้ผ่านตามการเถิดอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวีมีสุขสุดลำค่าอย่ามัวหมองครองกิดติดอุาราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเออเสาธุ